เอาละครับทีนี้ก็กลับมาฟังตุ๊กตาตัวที่สิบแปเล่าเรื่องต่อครเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วอาจารย์ครับค่ะก็พระเจ้าวิกรมาทิศเนี่ยสเสด็จไปถึงพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเรื่องประหลาดนี่นะคะที่เรียกว่าอพอถึงเวลาเช้านี้ก็มีรัตนบัญญงพุดขึ้นกลางแม่น้ําคงคาครับยื่นตัวขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะพระราชาก็รีบสเสด็จขึ้นประทับบนบันลังเลยนะคะตามเรียกว่าตามดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พอถึงเวลาที่หิงสาวทองก็ขึ้นไปจดสุรยิยมณฑลคือที่พระาทิตย์ส่งกฎสูงขนาดนั้นเลยนะก็เร<ะ>ียกว่าคือ พ, พระกายยาของร่างกายของพระราชาเนี่ยก็ถูกความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่เผาผ่านนะคะก็ดูเรื่องว่าเหมือนก้อนเนื้อถูกลูกโชนุนเป็นไฟอ่อ ย, อยอากาศเลยละคะ่ะพระราชาก่อนที่จะสิ้นพระชนนะคะก็สวดพระเวสนเสริมพระสุรยิยติดต่อกันหลายบทนะคะก็เรียกว่ากว่าจ ะ, ะสวดหมดก็สิ้นพระชนทันทีคนะฮะ พระสุริยะทรงตระหนักด้วยทิพยายามมีพระไทยกรุณาอย่างยิ่งจึงประพรมน้ําทิพย์ลงบนสรีระแห่งพระราชาทําให้พระราชากลับฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ก่อนที่จะสิ้นประชนไปนี่ร้อนมากเลยนะพระราชาก็รู้สึกพระองค์ก็ตัดว่าข้าเนี่ยในชีวิตคืนแล้วพระสุริยะทอดพระเนตรดูพระพักพระราชาตัดด้วยความประหาดพระไทยว่าโอ้มหาประพิพระองค์ช่างกล้าหาญชานชัย เป็นมนุษย์คนเดียวที่เข้ามาถึงสุริยมณฑลแห่งเราเพราะมีลกรรมอันพิเศษสุดเช่นนี้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้สมควรที่สุดที่เราจะให้พรด้วยความยินดีจึงบอกมาเถิดว่าท่านปรารถนาอะไรถ้าเด็กๆได้ฟังลิทานถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่ามีเหรอใครขึ้นไปถึงพระอาทิตย์เป็นไปได้ไห ม, มให้ยานอวากาศยังไปไม่ได้เลยนะคะทำไมเป็นไปได้อันนี้อยากจะให้เด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนนะคะคเข้าใจถึงปริศนาธรรมว่า อันนี้หมายถึงความพยายามอันยากยิ่งครับพระเจ้าพิกรณมาทิตย์ก็เดินพันด้วยชีวิตนะคะเราให้เราแปลยอย่างนี้ความยากลําบากอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเนี่ยพระองค์ไม่ทรงเกรงกลัวเดินพันด้วยชีวิตทิ้งไปชีวิตชีวิตก็แค่นี้เสียก็เสียไปพระงองคอ์ต้องทํำคืนมีท้งจิตน้ําใจที่กล้าหาญนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์จีได้ตัดสั้ เรียกว่าในพูทิยานพระพุทธเจ้าของเรานี้เนี่ยนะคะคงบง่งเป็นบา ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รมีแบบเดียวกับพิกอม์ีิกรณ์ธ ร, รทิพย์เนี่ย น, นะคะเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ตรัสด้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าถ้าหากว่าเลือดเนื้อร่างกายของเรารจะไม่เหือดแห้งไปหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตของพระองค์จะไม่รู้แต่ตรงนี้ <ตร S 1> จ <ตร S 1> ึงกรับงจะไลักต่อไปนะคะคือเดิมพันธุ์ด้วยชีวิตก็เป็นการบําเพ็นบารมีและเวลาเราทั้งหลายจะตั้งใจทําอะไรเนี่ยนะคะจงตั้งสัจดินะอย่าไปถอน หรือว่าตายเป็นตายไม่รู้อะชีวิตเราทิ้งนะคะอันนี้ก็คือก่อนจะตั้ ง, งสัจจะก็ต้องไครโครวนให้ดีซะกอ่อนว่าสิ่งที่ตัวเองจะตั้งสัจจะนั้นเนี่ยทำได้ไหมด้วยไหมคะคือถ้าอย่างนั้นมันกลัวนะคะคุณชุติยุทถ้าเกิดตั้งใจที่จะทําอะไรที่เป็นสิ่งดีๆแล้วเนี่ย อย่าเป็นคนที่ถ้าไม่งั้นเนี่ยนั่งสมาธิอู้เราทําไม่ได้แน่ก็เลยไม่ได้ตั้งสัจจะอันนี้ก็ไม่กล้าก็ไม่สาเร็จสักทีสิคะใช่ไหมคะคือความตั้งใจเนี่ยมันทานำความตั้งใจที่ดีอ่ะเราสามารถที่จะตั้งใจได้หมดแต่ถ้าเราไปใกล้ครวนซะก่อนเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมีความลังเะอยู่อ่างพี่กรมาที่เนี่ยท่านไม่ได้ลังเลเนี่ยใช่ไหมคะต้องบอกว่าเดิมผันด้วยชีวิตเนี่ยท่านจะทําถึงไม่ถึงก็ไม่รู้อะท่านก็จะพยายามไม่ถึงที่สุด พระพุทธเจ้าของเรานีงก็ยังเคยตัดว่าได้ตัดเอาไว้เลยล่ะค่ะว่าบุคคลเรื่องทุก์ด้วยความเพียรและวิริยะนี่ก็เป็นหนึ่งในบา ร, รมีสิบเพราะฉนั้นความเพียรเนี่ยอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นครับมันก็คือสัจจะบา ร, รมีนั่นเองนะมันจะประกอบกันนะคะพระเจ้าวิกรมาทิตย์นะคะก็เรียกว่าพอ ทาบว่าพสุริยะเนี่ยจะให้พร น, นะว่าเออเนี่ยไม่มีใครมนุษย์คนไหนมาถึงสุรยิยมณฑลแล้วีวีกรกรรมอันพิเศษสุดเหล่านี้เนี่ยท่านก็เรียกเป็นผู้ที่สมควรที่สุดที่จะได้รับพร ก, ก็คือพูดง่ายเพียรสูงสุดเท่าไหร่ก็จะได้รับอะไรที่สูงสุดมากกว่าคนอื่นนะคะคนที่มีความเพียรสูงสุดคนที่มีความประเสริฐสูงสุดก็ต้องได้รับอะไรที่ประเสริฐที่สุดชั้นไดชั้นนั้นแต่ฟิกรธรรมาทิตย์เนี่ยก็บอกว่า พรใดเล่าจะยิ่งใหญ่กว่าพรของพระองค์ข้าพระบาทมีความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือมาถึงขั้นนี้คือไม่ได้อยากได้อะไรแล้วคือมีความรู้สึกว่ามาถึงสำนักของพระองค์ในยากที่จะเข้าถึงถ้าเราเปรียบเทียบนะคะในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมได้ขั้นสูงแล้วเราแทบจะไม่ได้อยากพร อ, อะไรไ ด, ได้พร อ, อะไรอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันสูงสุดแล้วนะ พระเจก่ละมาทิตก็เช่นเดียวกันไดบอกในพระองค์ได้มาถึงในจุดที่แม้แต่ลือศีที่ทรงคุณจงริดอันล้าเลิศนะคือคนที่มีฤทธิ์เนี่ยนะคะอาจจะมาไม่ถึงเพราะใจไม่ถึงใจไม่ถึงคุณธรรมอันนั้นครับทำต่อให้เก่งขนาดไหนนี่ก็มาไม่ถึงมาไม่ได้แต่พระองค์เนี่ยมีคุณธรรมถึงความวิริยะนะมีศรัทธานะคะถึงมาถึงได้นะก็จะไม่ขอประทานพร อ, อะไรแล้วเพราะวันนี้พิเศษสุดแล้วนะคะ พอใจเพียงเท่านี้อ่อนน้ําถ่อมตนแล้วยังมีความพอใจเพียงเท่านี้อีกไม่โลภมากอีกก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งนะคะพระ ส, สุริยทิตย์ก็แหมยิ้มด้วยความเมตตาแนละ้วถึงท่านไม่ขอก็จะให้ล่ะก็ส่งถอดธรรมรงแก้วสุริยาการนะถอดแหวนออกจากนิ้วเลยล่ะคะ่ะยื่นให้แล้วก็บอกว่าแหวนสองวงนี้มอบให้เป็นของอขวัญเป็นของดีวิเศษที่ท่านควรจะได้ไว้ด้วยคนวิเศษก็จะต้องได้ของดีวิเศษนะคะ เมื่อใดที่ท่านสวมแหวนนี้ติดนิ้วอยู่เมืน่อนั้นท่านจะได้ทองคำมัละสองหาบทุกวันท้าวิกรลงมาที่ทรงรับธรรมรงแก้วแหวฟ้าจากสุริยเทพกระทาอัญเชิญและอลําลากับสุโลกมนุษย์ขณะที่เสด็จกลับอุชิญีนี่คือพรอันเปิดเสริญแหวนก็เปิดเสริฐแล้วน ะ, ะคะแต่กลางทางโลงพบพราหมณ์ชลามากรอดพระบาทเอาไว้กล่าวคําสรรเสริญพระองค์ก่อนนะแล้วก็บอกว่าเขาได้เป็นพรามณ์ในตระกูลใหญ่แต่เป็นคนยากไร้ ก็ต้องขอทานก็เลื่อไปไม่พอลิ้มปากลิ้มท้องขอเมตตาเถิดพระเจ้าฟังก็สงสารทรงมีจากคาอยู่แล้วก็เลยถอดทำรงทั้งสองวงออกจากนี้ว่าประทานแกพระามณ์เลยทั้งๆ ท, ที่จริงๆนี่เนี่ยทำมาลงทั้งสองถ้าอยู่ต่อไปได้ด้วยชีวิตของท<อ>่านแล้วพระองค์ก็จะได้ด้วยวละสองหักใช่ค่ะครับก็บอกเอาละพราหม์แหวนสองวงเนี่ยจะนําทองคำมาให้แก่ท่านนานช่วยชีวิตท่านจะได้พ้นทุกจงรับไปเถับพระามณฉล า, ล ร, ารับธรรมรงของมรชาและอัมลากับบ้านตน จาวิกรมาทิเสด็จเสด็จคืนสู่พระนครมีพระทยัยของแผ้วยินดีในจาระที่ทรงได้กระทําแล้วครับรถจากานี้พระองค์ก็ได้มาเป็นของวิเศษสำหรับคนพิเศษด้วยอะ่ะนะคะเมื่อกล่าวเรื่องจบลงตุกตาตัวที่สิบแปดที่มีอัทยาศัยดีนี่นะคะก็พยายามพูดถึงนิติมครคให้ฟังด้วยะนะคะก็ถามว่าทรงมีวิธีฉชยอย่างไรพระราชาโพชะก็ มี พ, พักที่สงบนิ่งด้วยความตัทหาก็ว่าได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดตอบก้าวพระบาทขึ้นเหยียบศิษะตัวที่19ต่อไปครับแม่ท่านกษัตริย์โพชะฟังแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องค่อยๆ ย, ย้อนไข่ครวนเหมือนกับที่ผมกำลังต้องย้อนใขคร่ครวนนะครับตอนนี้เนี่ยไล่มาจานถึงตัวที่18จบไปแล้วนะครับคุณสมบัติทั้งหมด18ปประการนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยอาจารย์เพราะว่า แต่ละแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นที่จะผ่านไปนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องไปนั่งไครครวนครับท้าวิกรมอาทิตย์เนี่ยได้เคยปกครองเมืองอุชยนีด้วยความร่วมเหน็นเป็นสุขด้วยคุณธรรมของพระ อ, องค์เองนะฮะทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายนี่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับบางคนก็อาจจะเป็นแค่เผ่าบ้านบางคนก็อาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานเ ล, นเล็กๆบางคนรับผิดชอบองค์กรใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ที่ท่านมีคุณสมบัติที่วิกรมอาทิตย์มีเนี่ยนั่นก็คือ การที่ท่านจะครองใจคนได้มากเท่านั้นผมเชื่อว่าวิกรติมรดิส์ซึ่งตกทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้นะครับในอดีตเนี่ยกลุ่มชนทั้งหลายที่เป็นชาวฮินดูเข้านำมาสอนคงไม่เฉพาะยุวกษัตรน์อาจารย์ครับ <Okay. S 1> คนที่อยู่ในชนชั้นปกครองหรือว่าชนชั้นที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อย่างยิ่งยวดนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของรายการเรานะครับที่จะได้เป็นสื่อกลาง ได้นำเอาเนื้อหาดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านโดยไม่ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ว่าเรานําเฉพาะหลักธรรมในทางพุทธศาสนายอย่างเดียวถ้าตรงไหนมีของดีตรงไหนมีคําสอนที่ประเสริฐก็จะต้องนํามาให้ทุกท่านได้ติดตามฟังกันอย่างนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก <c oughs> ่อนจะจากกันไปครับอาจารย์เชิญครับ คือการจะบอกว่าตุ๊กตาตัวทีสปนี้ให้ก้อคิดอย่างมากเลยนะคะในเรื่องที่ว่าการบริหารหบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ว่าคนที่บริหารในบริษัทห้างร้านหรือว่าการเป็นพ่อบ้านหรือหัวหน้าต่างๆเนี่ยจะเก่งเรื่องการปกครองการจัด ก, การดูแลอย่างเดียวครับถ้าไม่มีศาสนาประจําใจแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้ที่คุณมีคุณธรรมไม่ได้นะคะคือต้องมีศาสนาต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งไม่ใช่ว่าจักแต่ว่าเข้าใจว่าว่าฉันเข้าใจแต่ฉันไม่เข้าใจ ฟังรเรื่องไหมคะรู้เรื่องฮะเออนะครับไม่ใช่ว่าอโออเข้าใจอยู่แล้วหรือว่าบริหารการเงินเก่ ง, งมากแต่คุณธรรมปกรรมักทามไม่ค่อยมีค่ะคุณธรรมที่จะดูแลคนที่ต่ากว่าตนเนี่ยสำคัญมากมฮะก็ใช้ได้ทุกที่เลยนะอาจารย์ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนที่ใดก็าตามถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ก็นำพาความเจริญมาสู่องค์กรสู่ตัวท่านแน่นอน